เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในความคิดของหลวงพอ่อเี่ว่าเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องที่จำเป็นสำคัญที่หลวงพ่อเคยกล่าวในสถานที่ต่างๆบอกว่าถ้าว่าหมอไม่มีเครื่องมือดีเหมือนกับอู่ซ่อมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะซ่อมรถรถราคาของเราราคาเป็นหลายร้านไม่ใช่หลายร้านถามชีวิตของเราได้สิคุณจะขายเท่าไหร่ชีวิตของคุณ ถามลงพ่อลงพ่อกว่าตีราคามากทีเดียวงั้นเถอะหาประมาณไม่ได้ไม่ขายเลยเยางั้นเถอะมันแพงขนาดนั้นเหมือนกันเถอะเพราะนั้นทุกคนลดราคาแพงร่างกายราคาแพงแล้วเข้ามาถึงโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือของหมอไม่มีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติพี่น้องที่ส่งเข้ามาเรื่กงว่าตัวเองก็ไม่ไว้ใจ ถึงจะมีเงินคำทรัพสมบัติมากมาย ถ, าถ้าว่าเข้ามาโรงพยาบาลแล้วเท่าไหร่ก็จ่ายเพราะรักในชีวิตเพราะนั้นหลวงพ่อว่าเครื่องมือเป็นสิ่งที่จะเป็นสำคัญอย่างยิ่งนะอย่างนักศึกษาแพทย์ที่ไปบวชกับหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อก็ให้ความคิดว่าหมอทุอกท่านนะที่เข้ามาบวชกับผมน่ะ้ตั้งใจนะ้ตั้งใจบวชบวชแล้วก็เป็นหมอที่ดีนะคุณหมอนาะ เ, เพราะว่า ที่เขามารักษาพยาบาลกับหมอนั่นน่ะมารักษากับหมอนะ่ะ เ, ออเขารักชีวิตของเขานะเขารักอย่างมากชีวิตของแต่ละคนแต่ถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีพันยาถ้าเมียเขาตายคนเดียวเท่านั้นน่ะแปลว่าครอบครัวนั่นก็ล้มละลายถ้าผัวเขาตายคนเดียวครอบครัวนั่นก็ล้มละลายหมดความหมายเพราะนั้นหมอถ้าว่าไม่มั่นใจจริงๆอย่าไปผ่าตัด อย่าไปทําอะไรให้แก่เขานะบางทีความพร้อมไม่มีเนีเพียงแต่ว่าใจสู่เฉยๆไปทําเข้าไปก็ทําให้เขาเสียหายบางทีกินเหล้าเมามายังไม่หายส่างก็จะไปผ่าตัดให้แก่เขาไม่ได้นะ้อเพราะนั้นต้องรับผิดชอบอย่างสุดๆนะคุณหมอนะกูบาหมอทั้งหลายนะลูกหลานทั้งหลายนะอันนี้หลวงพ่อก็ได้พยายามเตือนย้ําอยู่เสมอที่หมอเมื่อกี้นี่หลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็พูดเมื่อ2อสาอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะ หมอพาคนมีอันจะกินว่าไงแต่คนมีอันจะกินในเมืองเขาก็พาพาเมียของเขาไปผ่าตัดมดลูกนะั่นแหละพอพาตัดเสร็จแล้วหมอไปผ่าอย่างไรเขาบรรลุมีดทะลับก็ไปถึงลำไส้ลำไส้ทะละุพอในสูเขาเอาผ้าก๊อซยัดไว้สกระจุกเขาว่าั้นนะเป็นซํารีนะเพื่อชับเลือดไม่ให้มันออกแต่ไใ้คนมันก็เจ็บประยตอนนี้เจ็บกา คนก็น ส, สุดลงสุดลงสุดลงสุดลงอยู่ที่โรงพยาบาลเมือกนะเขาก็เลยปู๊ไม่ไหวเมียของเขาคงจะไปไม่รอดลักษณะอย่างนี้เขาก็เลยเอามาเมืองเอาพามาเมืองไปมาหาหมอผู้หญิงสูตรตีนารีเวทพอมาหมอผู้หญิงโอ้ไม่ได้เคสนี้เป็นคงเคสใหญ่เหมืนกันเขาก็เลยพาไปหาหมอผู้ชายหมอผู้ชายเอ๊เขาก็จะไม่รับอีกเหมือนกันเพราะในสูเขาเห็นว่าคนมีญาติพี่น้องทั้งนี้ด้วยเขาก็เลยขอร้องให้รับ เขาไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลพอไปผ่าตัดที่ไหนได้มันเป็นซ้ำรีกับผ้าก๊อตอัดอยู่ในลําไส้เขาในท้องเขาโอ้จนเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วงั้นก็เลยผ่าตัดเขาออกมาพอออกมาก็คิดว่ามันจะมีเพียงแค่นั้นเรากลา็ล้างล้างทนี้วันดีคือดีน้ําที่มันเน่ามันก็นไหลออกมาอีกแคนี้มันน้ําเหมือนน้ำอุจจาระอ่ะมันทําไมเหมือนอุจจาระมันมั น, ม, นมันออกมาอย่างไง เขาเลยผ่าอีกครั้งที่สามพอผ่าเข้าไปที่ไหนมีดไปถูกลำไส้ลำไส้ทะลุเออเอาผ้าเตบเอาผ้าพันมาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันโอ้เขาเลยตัดลำไส้นี่แหละสรุปแล้วว่าอ ย, ย่างไง่นะหมอผ่าตัดเห็นคู่เห็นคนเป็นอย่างอื่นไปหลวงพ่อว่าโอ้ก็น่าคิดเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือคุณธรรมในจิตใจเนี่ยเออ คุณธรรมเนี่ยสำคัญมากเลยคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจริยธรรมก็คืออะไรใจเขาใจเราถ้าเป็นเราล่ะถ้าเป็นพี่น้องของเราล่ะเป็นพ่อแม่ของเราล่ะเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเราล่ะพาตัดอย่างนั้นขึ้นมาเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่อันนี้แหละจริยธรรมถ้าเป็นคนอื่นเราก็หัวเราะได้ใช่ไหมแต่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่รักญาติสนิทมิตรสหายที่รักเคารพของเรา ถ้าไปเจอเข้าอย่างนั้นน่ะจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้คือใจเขาใจเราหลวงพ่อว่าเนี่ยเพราะนั้นพวกเราขอฝากไว้กับอาจารย์หมอในพยาบาลทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อพูดตรงนี้ต่นนั้นไม่ได้ดูถูกเหย็ดยาำเพียงแต่ว่ายกเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะเอาหลวงพ่อพูดยาวนะเดี๋ยวจะไม่ได้ฉันยังหันว <c oughs> ะคือว่าโรงพยาบาลของเราก็ได้รับความเมตตานะครับจากหลวงพ่อนะครับแล้วก็ ก็คงจะมีโอกาสได้ต่อไปอาจารย์ก็อาจจะเมตตาในเครื่องปืนระดับต่อไปนะครับแล้วแต่นั้นส่วนในอนาคตนะครับใช่ถ้าหลวงพ่อนั่งยองๆเหมือนหลวงพ่อคุณได้เมื่อไรหลวงพ่อให้ไม่อัานเลยงานของานโรงเรียนของแก่นก็ดำเนินท่านผู้มีการหลอมลังอแก่นนะครับในคณะ ผู้รับมอบนรับให้กราวของพระคุณทางผู้อาจุกสนะครับท่านนิติกรนสกศึกษาก็ติดต่อลมในนามของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีคอนแก่นและคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอฝากขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้โควนามอบขึ้นรูปให้เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้เจ็บไข้เจ็บวยที่มาจาก จังหวัดขอนแก่และใกล้เคียงที่มาอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์สอนแก่น่วกเราก็จะใช้ข้อมือนี้ให้คุ้มค่าและก็เป็นประโยชน์และก็อวกกับการตั้งใจดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความสำนึกในบุญคุณของอาจารย์เป็นอยาสู กันครับ้ก็เนีต่อไปก็จะเป็นพิธีถวายและประหานเช้านะครับพระคุณเจ้านะครับอ่าก็คงจะพิธีร่ายพระราศีก่อนนะครับในประกับต่อไปก็ะกอบเป็นท่านผู้มีการนะครับได้จุดธูเไปเยี่ยนบูชาเพื่อพุธใจกอรยพระารีนะครับท่านจันทนจะเป็นพิธีถวายนครับทุกคนนะครับ้อใจกันนะครับ่าะ อิมินาสก arella ตังผู้ทางภิพุชยามาอิมินาสก arella ตังธรรมังภิพุชยามาอิมินาสก arella ตังสังตังภิพุชยามาอารังสัมมาสัมพุโตภะวะ พุทธังพัวันตาภิวัติสวากาโตะพระวัตรคัมโมธรรมนมสานิสุิปันโนระวัโตสาวกสังโฆสังฆนามา ตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานสิลแต่ไม่จริงการสมาทานสินหลวงพ่อไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปอย่างนี้หลวงพ่อจะอธิบายหรือว่ากล่าวเรื่องของสินอธิบายเรื่องของสินทำไมพวกเรามาเจอพระไหวพระเสร็จแล้วก็สมาทานสินทุกครั้งสรุปแล้วก็คือทำเป็นพิธีพิธีกรพิธีกรกรมเท่านั้นเอง แต่ตามไม่จริงศีลของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พิธีกรรมมีสาระมีประโยชน์อย่างมากสาหรับท่าว่าเราได้วิเคราะห์ดูแล้วถึงจะเป็นศีลชั่วระยะอันสั้นก็มีประโยชนเ์เหมือนกับน้ำานะถึงจะน่อยนึง เ, เมื่อเราหิวน้ำกินน้ำน่อยนึงก็ยังมีประโยชน์ท้าว่ากินให้อิ่มก็ยิ่งมีประโยชน์มากแต่ไม่ได้กิน เ, เลย ก็ต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งอับเฉาอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราถ้าหากว่าขาดศีลธรรมอย่างมากโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นศีลจึงมีคุณค่าสำหรับพวกเราผู้รู้จักคุณค่าถ้าว่าไม่รู้จักคุณค่าศีลก็ไม่มีคุณค่าสำหรับคนคนนั้นเหมือนกับเพชรนินจินดาไม่มีประโยชน์สำหรับพวกไก่แก่อย่างที่นิทานอิศกตางวารู้จักคุณค่า เอามาใส่หัวแหวนเอามาประดับก็เป็นราคาอย่างมากแต่สำหรับไก่แจ้นั้นสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นนักปราดบัณฑิตท่านว่ามีคุณค่าแต่สำหรับพาและชนแล้วมองสินเนี่ยเป็นของคือของล้าสมัยไปเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกา ที่ได้ศึกษาดูแลว้วว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าพวกเราจึงได้สมาทานศีลอันดับแรกหลวงพ่อจะได้กล่าวว่านโมนำนะนตามไม่จริงการขอศีล น, นั้นไม่ใช่ขอเพียงแต่ว่ามายืนยันต่อหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้นำพวกเราก็ว่าตามแล้วก็จะเป็นผู้ผ ป, ฏปฏิบัติในศีล น, นั้นเนะวราหลวงพ่อจึงเป็นผู้นำกล่าว นโมตัสสะพระวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะรับสินเรานอบน้อมต้นศาสดาต้นศาสนาซะก่อนเหมือนกับพวกเราจะใช้ยาตัวนี้ยาตัวนี้ใครเป็นคนผลิตขึ้นมา เ, เป็นศาสตราจารย์ใดโปรเฟสเซอร์ไหนที่ผลิตยาตัวนี้ขึ้นมา เราก็น้อมและลึกถึงเอ อ, เ อ, อยาตัวนี้เป็นคนคนนั้นเป็นคนผลิตขึ้นมาบริษัทนั้นเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเอามาใช้งานนี้อันนี้ก็เหมือนกันสินของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราจะระลึกเออมื่อเราจะปฏิบัติเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือต้นศาสดาต้นศาสนาที่ประทานพระธรรมคําคสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าจึงว่านะโมสะก่อนสจบยืนยันถึง3ามครั้ง ถ้าเปเจ้าขอนอบน้อมเดีพระผู้มีพระภาคอรหรันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งจากนั้นกะกล่าวเป็นสรณะของพวกเรายืนยันอีกว่าพุทธังทำมังสังขังสรานางคัจฉามิดูติยามปีพุทธังทำมังสังขังสรานางคัจฉามิตาติยามปีพุทธังทำมังสังขังสรนางคัจฉามิยืนยันถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสารณะเป็นที่พึ่งยืนจันทั้งสครั้งดุติตาติจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศินปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิพระพุทเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าฆ่าคู่ฆ่าคนฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าพระพุทธเจ้าห้ามมาให้ฆ่าเพราะว่าการฆ่ากันถ้าว่าเราไปฆ่าเขาก็ไม่กระไรเพราะเราไปฆ่าเขา แต่เขามีความรู้สึกยังไงไม่มีใครรู้จักว่าความรู้สึกยังไงแต่ถ้าว่าเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกของเราฆ่าหลานของเราฆ่าวงศ์สาคณาญาติของเราไม่มีใครรู้ว่าเราหนักใจถึงขนาดไหนทกใจถึงขนาดไหนในเมื่อเขามาฆ่าเราเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งขึ้นมาว่าอย่าฆ่ากันอย่าฆ่ากันดีไหม ถ้ามาคิดถึงเราคิดถึงเขาแล้วเราก็ต้องคิดออกว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่1มีคุณค่าพวกเรานั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดดูก็แล้วกันสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าไหมอย่าฆ่ากันถ้ามีค권ฆ่ากันมีความสุขไหมถ้ามันไกลเราก็ไม่เป็นไรแต่พอใกล้เราญาติพี่น้องของเราละ่ะนั้นอันนี้แหละคือสินข้อที่1ข้อที่สองอธินาทานถ้าไปขโมยคนอื่นละ่ะ ก็ไม่เป yeah. ็นไรแต่ความรู้สึกของเขาน่ะอันนี้ไม่มีใครรู้สึกในความรู้สึกของเขาแต่เมื่อเขามาขโมยของเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้มาเจอเราแล้วเราจะรู้สึกถ้าเขามามาขโมยรองเท้าของเราเราก็ยังมีความรู้สึกอ่ถ้าว่าขโมยรถขโมยลาขโมยลูกเมียของเราไปล่ะอ่เรามีความรู้สึกอย่างไรความทุกข์ขนาดไหนนี่เมื่อเขาขโมยไปนี่แหละ เมื่อเขาขโมยของเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปขโมยของเขาคนอื่นเขาเขาก็ต้องเสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าถ้าหากว่าพวกเราจะอยู่ร่วมกันอย่าขโมยกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามกามสุมิจฉยจาราว ร, รมณีลูกสามีผัญญาของคนอื่นเขาและเราไปล่วงล้ำเขาไปล่วงอธิปไตยเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ เราก็ยังไม่รู้แต่เมื่อเขามาล่วงล้ำเรานั่นแหละความรู้สึกของเราจะเสียใจอย่างมากถ้าว่าเอาลูกเอาหลานของเราชุดลากไปอย่างนี้ เ, เรามีความรู้สึกยังไงเราเสียใจอย่างมากแปลว่าตบหน้าเราอย่างแรงดูถูกเราอย่างแรงถ้ามีอะไรอยู่ใกล้ในโชงนั้นก็คงจะฆ่าแกงกันได้เหมือนกันเถ อ, เอะอันนี้แหละสินพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วศวินข้อที่สถ้าว่าใครล่วงละเมิดอย่างนั้น เป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตราย เ, เสียอกเสียใจนะผู้ที่ได้พบได้เจอจึงมันอยากสินเป็นข้อที่3ให้เคารพสินให้มีศินนะให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่4มุสาอยากโกหกกันถ้าว่าเราโกหกคนอื่นเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าไม่ใช่โกหกคานี้มันโกหกมากมายนะโกหก ท, ทั้งชีวิตด้วยก็ได้ เ, เพราะนั้นการโกหกมันเป็นการเดินทางของชีวิต ล่มจมจิบหายไปก็ได้โกหกในธรรมมาค้าขายโกหกในวิชาอาชีพโกหกเรื่องต่างๆจนถึง เ, เป็นอันตรายแต่ถ้าว่าทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อกันถ้าจะพูดอะไรออกไปเราก็ต้องสํานึกว่าเออถ้าว่าเขามาโกหกเราอย่างนี้ เ, เราจะเสียใจใหมถ้าเมื่อเราโกหกเขา เ, เมื่อเขารู้ว่าเราโกหกเขาเมื่อทีหลังเขาก็ต้องเสียใจยของเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นการโกหกกันไม่เป็นผลดี ه, เพราะนั้นข้าพเจ้าจะไม่โกหกคนอื่น ه, คําว่าโกหกโกหกคำนี้เนี่ยมันยืดยาวไปด้วยนะการทําอะไรก็ตามท่นนี่โกหกไปหมดการไปทําผิดสริงไหนมาโกหกหมดการไปต้มตุนที่ไหนมาโกหกหมดไปพ้นไปขโมยไปคดไปโกงใครมาโกหกหมดเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดเป็นพระบาลีว่าคนที่โกหกทั้งที่รู้รู้ จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนะพวกเราให้คิดดูกันแล้วกันโกหกไม่ใช่ธรรมดานะออมันเป็นผลพลอยไปทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะและสุราเมรยะมช่า ป, ปมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะไปถือว่าสุราและเมลัยเป็นของสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาและเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ลหลายๆอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องทําความชั่วได้หลายอย่าง ขับรถไปชนคู่ชนคนในถนนหนทางสงการปีใหม่พวกเราเสียเงินกับพวกนี้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นสินของพระพได้เจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้มีคุณค่ามีประโยชน์นะและมันเกี่ยวกับข้อที่หนึ่งด้วยดื่มสุราเนี่ยนะคนเมาสุราแล้วฆ่าคนก็ได้ขโมยคนก็ได้พูดละลาบละ ล, ะ ล, ะ ล, ะลวงสินข้อที่3มก็ได้มุสานี่เร็ววางั้นจะคนที่ดื่มสุราแล้วโกหกเร็ว พราขาดสตินะเพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วคุณค่าของสินออมีประโยชน์อย่างไรสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าคนขาดศินมากๆโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่ต้องสงสัยถ้าคนมีศินมากๆในโลกโลกในยุคนั้นสมัยนั้นรมเย็นเป็นสุขแน่นอนไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะให้โลกทั้งโลกมีศินทุกคนใช่ไหมเราจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ข้าพเจ้าคนหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าเห็นคุณค่าแล้วข้าพเจ้าจะรักษาศีลทั้ง5ข้อนะอย่างหลวงพ่ออินเห็นแล้วเห็นคุณค่าแล้วศีลของพุทธเจ้ามีประโยชน์เพราะนั้นหลวงพ่ออินจึงรักษาศีลไม่ฆ่าแน่แไม่ขโมยแน่แไม่ประพฤติผิดในกามแน่แไม่กล่าวโกหกแน่แแล้วก็ไม่ดื่มโซราแน่แน่หลวงพ่ออินมากกว่า น, นั้นไปอีกทั้งนั้นสนะ่สิบเข้อนะพราะเห็นคุณค่าของศีลของ พ, พุทธเจ้าบัญญัติเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะ เมื่อรู้คุณค่าของศีลแล้วควรจะรักษาศีลอย่างน้อยก็ได้ชั่วช้างกระทบหูชั่วงูแลบลิ้นก็ยังดีอย่างพวกเรามากราบมาไหวมารักษาศีลแหลวงพ่อก็ให้ศีลคงจะไม่ขาดเดี๋ยวนั้นกำมังนะคงจะนานคงช้างกระทบหูอยู่กำมังน ะ, อะเอาตอนนี้ไปรับศีลที่นี่ นะโมตัสสะระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติิงยันติสีเลนะโพกันสัมปะทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตมาสีลังวิโสถเย เ อ, อทยอยทยอยเกณฑ์นเรื่อยมานะเรื่อยๆรอรอ ร, อรอเรียกเดียวตามไม่จริงหลวงพ่อจะจะทำความเข้าใจสาหรับญาติโยมเพราะญาติโยมไม่เคยบวชถึงจะบวชก็ไม่ได้นานเหมือนหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังว่าเมื่อกี้นี่พวกเรากล่าวคำถวายสังคตสานะมันมีความหมายสำหรับพระนะสังคัตสโโะโานิสาสานตสานิัานิสสาังาสังคตสัสานาานิสาาน ใอ้ครว่าถวายสงสงต้องสี่องค์ขึ้นไปอันนี้ถ้าว่าถ้าว่าสงสององค์พระสององค์เนี่ยต้องถวายว่าสีระวันตัสะีสะวัตัสะเออถ้าสามองค์อมาศีละวันตัสะถ้าสี่องค์ขึ้นไปเราจึงกล่าวว่าสังคัสสะเออเพราะองค์สงครบองค์สงเออนี่แหละ <'d S 1> เออตนี้เมื่อถวายสังคัสสระในสงสององค์นี่ใช่ โฉงสององค์จะอุปโลกอุปโลกไปได้ทีนี้เพราะว่ามีสององค์เพราะมัยังไม่ครบ4เพราะฉะนั้นถึงพวกเราจะถวายสังกัสร์มันก็ต้องเป็นมันเป็นลักษณะสีแลวันตัสสะอย่างเก่าพอมันเป็นสององค์ตามไม่จริงพระสีองค์เนี่ยเป็นพระมงคลนะมีแต่เขาถือศาสนาพราหมณ์เขาบอพระสองค์เป็นพระสวดศพเออพรขึ้นไปบ้านก็เป็นว่าเป็นพระสวดศพแต่ไม่จริงสี่องค์ในสังกัสร์เป็นว่าลงมติสงได้ ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระสีองค์ไปว่าลงมติกันไปนว่าจบอสี่องค์ไปว่าปฏิสงนะเสรอญสามองค์ไปว่าคณะยังไม่แน่นอนถ้าสี่องค์ขึ้นไปนะเปนี่ยไปว่าพวกทัยเจ้าให้สิทธิ์ตัดสินใจตัดสินคดีความแบบนั้นนะสี่องค์ขึ้นไปเอเอเพื่อนเออโอ้ว่ามีงานของประเทศรู้สึกว่ามีมีตึกประเทศต่างหลาตั้งหลายหลังอยู่ที่นี่ครับ ลินทอนก็มีพระเทพก็มีเอาลรับพรได้เลยนะอเอารับพรรับพรมต่างใจลรับพรทิศกุศลการหลินน้าเรียกว่าการปวดน้ําอุทิศกุศลบางคนก็เอ๊ะท่านปวดแล้วท่านจะปวดขนาดไหนปวดอย่างไรนะบางแห่งบางท่านบางคนก็ไม่มั่นใจเพราะไม่ได้ยินครูบาอาจารย์พูด มีแต่คนพูดต่อๆกันก็ไม่มั่นใจว่าการกวดน้ําขนาดไหนที่พอเหมาะด้วยว่าขนาดไหนกวดกัน้งางพักให้พอจบจึงหมดน้ําใช่ไหมเรืยกว่าพอเทนั้นจบทีเดียวเลยใช่ไหมก็เป็นความสงสัยสําหรับพวกเราที่กวดน้ําโดยมากพักแต่ก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังกวดน้ํำนะเรากวดน้จจําใส่จใจไม่จริงกวดน้ําหรือไม่กวดน้ํา อันนั้นก็ถ้าว่าเร า, เาใช้น้ำนํำใจนะประนมมือขวดน้ําด้วยน้ํำใจ ก, ก็ได้แต่ถ้าว่าการขวดน้ําลงไปนี่เป็นสักขีพยานสองอย่างนั้นแต่เหมือนกับพระนเรศวรประกาศศึกอย่างนั้นนะลดน้ําลงในแผ่นดินอย่างนั้นแต่เป็นการประกาศศึกแป่เอาเอ า, เอาน้ําเป็นพยานเอาน้ําเป็นสักขีพยาน อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเจ้าที่ส่วนกุศลเนี่ยเราเอาน้ําเป็นพระยาคือน้ําใจของเราใสอย่างนี้เจที่ส่วนกุศลเรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายงูกสาขนายญาติญาตินิสายทา้าวท่านผู้ใดตกทุกข์ได้ยากดวงวิญญาณใดก็ขอให้มารับส่วนกุศลจากข้าพเจ้าหลวงพ่อเป็นผู้นำํำญาถาวารีวังาพวกเราก็ลินน้ำนะพอรินไปเรื่อยๆจนกองที่สองสัพปีติโยพวกเราพิรินให้รินน้ําจบ ก็นั่งปนมมือนั่งปนอมือในขณะที่องที่ 2. อ่วัดซัพพีดีโยตว่าน้ำหมดเพียงแค่นั้นเราก็นั่งปนมมือหลวงพ่อเลยพูดแบบให้จำได้ง่ายๆว่ายะขาให้ผีเพื่อให้วิญญาให้กุฏิส่วนกุฏิสนัะยัขาให้ผีซัพพีให้คนนั่นซัพพีเนี่ยนั่งปนอมือรับปอดการปวดน้ำให้ให้ควาหมาย ขวดน้ำคือทิ่ส่วนคุศสนถึงดววิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายสงสารนายาตยาบิสาหายจ้ากรรมนเวรแทรั mm hmm. พีตีโยเราประหนึ่รับขรเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสำหรับพวกเราต่อ ไ, ไปรับอรนั่นี่นะยะท้าวาริวาหาปูราปริโรุร